จะพูดกับทุกท่านทุกคนเือเานี้โอกาสนี้เป็นโอกาสพิเศษกว่าโอกาสอื่นใจชีวิตในพิเศษสักหน่อยชีวิตพิเศษคือวินัยยะนำไปสู่ความพิเศษคือมีสติสัมปชัญญะพิเศษจะไงให้รู้สึกตัวอยู่เสมอ อะไรที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความรู้สึกตัวก็เปลี่ยนเป็นความรู้สึกตัวจึงจะพิเศษได้การรูุ้ธรรมก็บรรลุตรงนี้อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเราจะเป็นความสุขความทุกข์ความหลงความลักความจังพอใจไม่พอใจก็เปลี่ยนเป็นความรู้สึกตัวเท่านั้นถ้าเราเปลี่ยนอะไรเป็นความรู้สึกตัวโอกาสที่ดบรรลุธรรมก็ เฉพาะหน้านี้ไม่ใช่อยู่ไกลอะไรเลยยิงใช้ชีวิตให้พิเศษจักหน่อยเราก็มีโอกาสพิเศษอย่างนี้เราก็ช่วยกันให้พิเศษอย่างนี้อยจะแสดงให้อะไรที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ใช่พิเศษยึ่งจะนำไปสู่ความหลุดพ้นหยอก ง, งดงามเอื่อนตนสอนตนไม่มีใครเห็นเราเท่ากับตัวเรา ออกให้สุดฝีมือลองโดทําอะไรให้สุดผีมือมันก็สําเร็จได้ความตั้งใจอยู่ที่ใดความสําเร็จก็อยู่ณที่นั่นมันเป็นกรรมกรรมมลรคิดได้กรรมศักดิ์สิทธิ์กรร ม, รร ม, มาฐานเน่แล้วก็เปลี่ยนได้ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนเป็นความรู้สึกไมาได้ในการในใจเราเี่ เราไปค่อยใช้ชีวิตให้เป็นกรรมฐานเท่าที่ควรมีค่ามากชีวิตเรานะเป็นสดประเสริฐนีม่มันสมองก็หัดตนฉอนตนไม่ใช่จะรับอะไรทุกอย่างปฏิเสธบ้างทอสะานบ้างบอกกับบ้างอะไรที่ไม่ควรรับควรรูอ้อย่าไปใส่ใจมัน ซักสะพานหรือบอกกลับเหมือนเราเป็นเจ้าของชีวิตเจ้าของบ้านเหมือนเราเปวดตัวทรทั์เศ้าไหนที่ไม่มีสาระประโยชน์ก็ปิดได้เลือกได้ชีวิตนี่มันเลือกได้บนว่าจะนาเนี่ยมันแข่งขันกันได้ไม่ใช่จะปล่อยตามปล่อยไม่ มีความเพียรให้มีศรัทธาให้มีความอดทนให้มีศีลสํารวมมีสมาธิมั่นคงอย่างอ่นนอนแอน่ก่อนแคนอ่อนไดที่ไหนมีความเข้มแข็งอยู่ที่นั่นผิดอยู่ที่ไหนมีความถูกต้องอยู่ที่นั่นปัญหาอยู่ได้ที่ใดมันมีปัญญาอยู่ในที่นั่นนี่คือการศึกษา อย่าจนเราต้องไม่จนเป็นชีวิตที่ไม่จนความหลงทำให้เราจนความรู้สึกตัวนี่ทำให้เรามั่งมีเราจึงสนุกเป็นเรื่องของการสนุกการมาเห็นตัวเองเนี่เป็นการทื่อบันเทิเจริญเป็นการชอบ เวลามันหลงเปลี่ยนหลงเป็นรูปเนี่ยเป็นเป็นความชอบอย่างยิ่งอยูโดยชอบอย่างยิ่งฟิกสูต้างหลายเมื่อพวกเธออยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอรัันั้นอยู่ที่ลุ่มก็ดีอยู่ที่บ้านก็ดีอยู่ที่ดอนก็ดีอยู่ที่ป่าก็ดีอยู่ที่เมืองก็ดีมันมีความชอบอยู่ในชีวิตเราการอยู่โดยชอบก็มีสติสัมปชัญญะ เมื่อมีสติสำจัญญาอะไรที่ไม่ใช่ความไม่ชอบก็เกิดขึ้นไม่ได้เ้าอเราไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวไม่พิเศษความไม่ชอบก็เกิดขึ้นเป็นชิงแวดล้อมที่ไม่ค่อยจะดีเราจึงเลือกฝึกตนสอนตนแชื่อตนเตือนตนมองตนดูแลตัวเองให้อยู่ในความพิเศษได้ และงวนสงวนตัวมันจะเห็นเหตุเห็นปันจจั ย, มยไม่ยากการบรรลุธรรมเหมือนกับโร่ไลยงไม่ยากเหมือนเล่าไลยงด้วยซ้ำไปถ้าเราปฏิบัติ ด, ดีแล้วงั้นนอนในมุง้งฟังเสียงยงมันบินอยู่ข้างนอกไม่มีโอกาสที่จะทำลายใจเราได้เหมือนลงตาไปอยู่ผู้หยงัง สองสองวันที่ผ่านมาเอาเพื่อนเขากวาดใบไม้เตรียนหมดเขาอยู่ที่ใดเขาจับตาจับจบปังเ ถ, ถากว่าเถาะน้องตา ก, ก็ไม่ต้องกวดเลยไปก็โปรูเสื่อทับใบตองใบตองก็หามากป่าสั์ป่ายางป่าอะไรมันหลนหน้าแรง เออครันอนลงพอนอนเลยอะไรมันลุกยัดยุกใต้เสื้อเนี่ยก็ไหลลุกขึ้นนั่งแล้ก็ออกไปนอกเสือใต้เสือของเราไปเป็นงูตัวนึงมันตกคนคงตกใจมากก็ชูขอขึ้นมองหาเห็นลวงตาก็แลบลื่นใจเราก็ดูมันโอ้ขอภัยนะ เราไม่รู้เเธออยู่นี่เราไม่รู้จริงๆนะขอไปไปไปทางอื่นมันก็วิ่งหนีไปทางอื่นลยเมื่อเราเห็นเนี่ยแต่เราไม่เห็นเนี่ยอันตรายเหมือนกันนะเราเห็นงูงูจึงไม่ได้กัดเราเราเห็นหลงความชั่วก็เกิดขึ้นได้ยาะเราเห็นทุกความทุกข์ก็ทำอะไรใหะเราไม่ได้เมื่อเราเห็นงู เราจึงสร้างความเห็นให้มันเห็นให้มันเห็นให้มันเห็นอย่าเข้าไปเป็นภาษาปฏิบัติเป็นภาษาง่ายๆอย่าเป็นให้เห็นเป็นผู้ดูอย่าเป็นผู้อยู่อะไรก็จะมันลอดเห็นมันลอดมันเหนื่อยเห็นมันเหนื่อยมันรู้เห็นมันรู้มันหลงเห็นมันหลงมันสุขเห็นมันสุขมันทุกข์เห็นมันทุกข์อย่างเดียวเท่นีสะดวก ไม่มีอะไรขวางกัน น, ะนี่แหละเรามักมักคือดูไม่ใช่ไปท่องจำสัมมาทิฏิสมมากรร ม, มันตะสัมมาชีวะสัมมาวายมะสัมมาอะไรสติสัมมาสมาธิไปโน้นอันนั้นนเป็นภาษาถ้าจะพูดเราเห็นถูกเห็นถูกคือเห็นสุขเห็นทุกข์ไม่ใช่เข้าไปเป็นว่าเห็นถูก ก็เห็นสุขเป็นผู้สุขเห็นไม่ถูกเห็นทุกข์เป็นผู้ทุกข์ไม่เห็นถูกเห็นหิวเป็นผู้หิวไม่เห็นถูกเห็นร้อนเป็นผู้ร้อนไม่เห็นถูกเป็นความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิเดอะก็บอก็ไม่จบแต่เห็นว่าไม่เปลี่ยนเราก็จบทันทีจบทันทีจบทันทีเห็นตรงไหนจบตรงนั้นจบไปเรื่อยๆจบไปเรื่อยๆจนจบจนไม่มีอะไรทําแล้วอะไรเกิดขึ้นรู้แล้ว สุรู้แล้วทุกรู้แล้วหลงรู้แล้วโกรธรู้แล้วเจ็บปวดรู้แล้วปวดรู้แล้วเมืน<า><า>ไปพูดที่เราหวั่าพระองคกดเข้ารู้แล้วกอดเนื้อนในตับอ่อนมันปวดปวดท้องหาส ม, มุฐานในเหตุที่มันปวดหมอหาไอ้เพราว่าสายเอ็กซ์เรย์ซีซีไม่เจน ไปเห็นก่อนเงอนตับอนมันก็ต้องปวดเห็นมันปวดตามันปวดรู้แล้วก็จบไม่ใช่ไปโอ้ยโอ้ยวดป่บนบนช่วยด้วยไม่ไม่ไปถึงอย่างนั้นรู้แล้วถ้าจะมีการออกเสกียงจัง อ, อืมรู้แลว้วมันปวดมากอือแล้ ว, ว่าอือคือวิปัสสนา วิปัสนาถึงบางอ้ออะไรก็อืมเจ้ก็อืมเุกก็ออันเดียวคือเห็นลถลดเดี่ยวพระธรรมคือลดเดียวสุลทุกวันสองรถแล้วพระอืมอึมเจ้ ก, ก็อึกกมเห็นวันทุกอึมอันเดียวเท่านั้นสภาวะถังสมารสโสขินาติลถพระธรรมด้อมจะลถทั้งปวงมีรถเดี่ยวแต่รถของโลกมีหลายลด สุกก้อนหนึ่งทุกก่อนหนึ่งบางอ้ออืมอืมอันนี้เกิดขึ้นกับปัญญาคนทัญยะเป็นพระสองโลกแรกในโลกพู้เจ้าจแสดงธรรมแสดงธรรมไปอัญญากนรันยะก็อืมอืมลักษณะบอกพู้เจ้าก็ดูดูท่าทางเหมือนเราไปเรียนอะไรที่เราเข้าใจ เห็นด้วยชัดเจนไม่ลังเลสงสัยนี่ว่ารู้แล้วรู้แล้วรู้ไม่เที่ยงรู้แล้วเวทนาไม่เที่ยงรู้แล้วสัย่าไม่เที่ยงรู้แล้วสังขารไม่เที่ยงรู้แล้ววิญญาณไม่เที่ยงรู้แล้วสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์รู้แล้วสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ควรไปถือว่าตัวว่าตนรู้แล้วทําเป็นแล้ว ทำได้แล้วเราเห็นงูเห็นแล้วไม่เข้าไปใกล้งูได้ออกไปแล้วออกไปไกลแล้วค้นแล้วนี่เลยว่าอาเลียสัตว์ไม่ใช่ทุกเป็นทุก์มันใช่ง่ไปเหมือนงูยองยืนงูใกล้หน้าแข้งเดินไปวิ่งหาคนมันก็ไม่ทันสะล้วงูกัดเอาแล้วเกียนตายไปแล้วเพรเราเห็นอ่ะอันเห็นมัน มันไม่ม so so ีคําถามนี่สุขนี่ทุกข์นี่ความหลงนี่ความรู้นี่ความโกรธนี่ความโลภความหลงความรักความชังไม่ใช่ไม่เป็นธรรมความหลงไม่เป็นธรรมความรู้สึกตัวเป็นธรรมความโกรธไม่เป็นธรรมความรู้สึกตัวเป็นธรรมส้องผัดต้องผัดการสัมผัสเนี่ยเป็นสัจจะไม่มีคําถามการเห็น พบเห็นไม่ใช่จิตเห็นการพบเห็นมันเดี๋ยวนี้เห็นบุญเดี๋ยวนี้เห็นบาปเดี๋ยวนี้ละบุนละบาปละเดียเด๋ยวนี้ทำบุญทำเดี๋ยวนี้ทำดีทำเดี๋ยวนี้ละความชั่วทำเดี๋ยวนี้นี่เราปัจจัตังภูนี้ไม่มีนิวานไม่มีนีแต่ไม่เห็นภูนี้มีอยู่แต่ไม่เห็ น, น, หนทำอะไรไม่ได้ เอว่านก็มีอยู่ว่าไม่เห็นทำอะไรอีกไม่ได้แต่ที่เห็นเนี่ยจริงคือเดี๋ยวนี้ทําได้งันหลงเปลี่ยนหลงเป็นลูกทําได้เดี๋ยวนี้นี่คือปฏิบาตาัติธรรมล้วจะไปเชื่อค่ะล้วไปอ้อนวอนที่ไหนพุทธศาสตร์ฉนนะไม่ใช่พุทธศาสตร์หาเหตุการอ้อนวอนพุทธศาสตร์หาเหการกระทั่งกรรมโนนะวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม มันเป็นของจำแนกสัตว์เพราะนั้นจึงมาฝึกกรรมฐานกันแล้วจะดีก็มีกรรมดีแล้วจะชั่วก็มีกรรมชัว่วไม่ใช่คอยวาจานะางทีเราไปมอบให้วานาได้คิดไม่มีการกระทำเชื่อลืกงามยามดีเียเวลาอย่างภาษา ก็จะปลูกมันเอาหัวก็ปลูกวันอาทิตย์ก็จะปลูกห่อนเอาปลูกปอเอาวันจันก็จะปลูกหมอนเอาใบปลูกวันอังคารทิศหัวจันต้นอังคารใบพผหัดดอกพุทธหมากถ้าเอาดอกก็ปลูกวันพผหัดปลูกไฟฝนตกตั้ง แ, แต่วันอาทิตย์โดโดรอให้ถึงวัน หัสข่ันจะปลูกพ้าดินมันแห้งไปแล้วอะไรที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันอยู่ที่การกระทำของเราทิศพุทธโสุขโ ส, สงไห่เจ๋จันหนังข้านเทียงแท่ะหัดค่อยคําลงเอ้เอาเวลาเวลานักกตั้งปฏิมนาเ น, นินทั้งอัตโนปจังอุปจักรการเวลาย่อมเกินจินสวัจิจกับทั้งตัวมันเองอะไรก็คอยว่าชนาคอยเวลาไม่มีการกระทำไม่เกิดขท้ แต่ไม่รู้ทำก็รู้อยู่ยวนี่รู้เด๋ยวนี้นตัวรู้เด๋วนี้ก็ต่อไปแต่ร <Okay. S 1> ู้เดี๋ยวนี้เชมองหน้าก็รู้ถ้าเชมองรู <STE> ้ไปรู้ไปก็รู้ไปแต่รู้เดี๋ยวนี้อีกตีตีห้าก็รู้ตีห้าครึ่งก็รู้ตีหกก็รู้วิเกตก็รู้ไปรู้ไปรู้ไปมากรู้มากรู้ไปรู้ก็ต่อรู้เลยไปปุ่งนี้ก็มีความรู้เลยไปเดือนหน้าก็มีความรู้เลยไปปีหน้าก็มีความรู้เลยไป ถ้าไม่ตกนรกไม่มีทุกข์ไม่มีหลงก็ไม่ตกนรกไม่ต้องตายแล้วยังตกนรกถ้าจะมีความรู้สึกตัวเห็นทุกอย่างไม่เป็นกับอะไรจนไม่เป็นอะไรกับอะไรก็มีมรรคผลนิพพานเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรล่สอนนิพพานต่อเมื่อตายไปแล้วเดี๋ยวนี้เดอย๋ยวนี้ผ่านต่อเมื่อตายไปก็พากันตายไปวันจะได้ไปนิพพานมันต้องเดี๋ยวนี้ เพราะนจึงปฏิบัติเป็นปัจจ ต, ตังไวยิทธาภูเวโยหิตน้องตากคไปสวดให้คนป่วยหวังงันไม่ไม่รู้อะไรกูก็ไม่รู้อะไรมันดิ่งเข้าไปดิ่งเข้าไปจมกูกหยิกขึ้นใบหูแขงขึ้นหน้าซีขึ้นไม่หย่อนลงจะหน่อยแสดงว่ามันตึงไม่รู้สึกตัว เรียกก็ไมาโล่จับมือก็ไม่โล่ให้โลกมาจับมือก็เดยสวดตีเกาะจนกันคิดเอาก็ดิ่งทองเหลืองไปติอุดังตระนางกัจาม่เรียกเกินหน้าให้ละพระเจ้าอาศัยพตะเจ้าเจ้าพระเจ้าจึงพ้นจากทุกท้องกวงมเลยสวดช่วยกันเฮะเคยไปทำอยู่ที่นิวยอร์ก ที่วัดตั้นสารไปอยู่กับพระนิกายมหายานวัดจวงเย็นเขาที่เงินไปดูคนป่วยที่โรงพยาบาลวัดตั้นม ห, วหาวลยาวาดทางลาวไปสอนอยู่ที่นั่นก็พาไปดูคนป่วยก็ช่วยกันดีนะคนมหายานดีก็ถือรางว่า ช่วยคนมากเวลานี้ดังทั่วโลกหลวงตาไปดูคนดังคนเจ่งไต้หวันพิกษณีเนี่ยเกิดรุ่นเดียวเขาเดียวกับหลวงตานี่เงมากเขาช่วยคนอันนี้เขาก็ช่วยกันจริงมีเคว่าวจ้าจอมใส่ชุดเซนนุ่งกางเกงเสื้อเขียนยาว ใสโบหน้าอกต่างตัวเหมือนกันจะยืนข้างเตียงอมีโตโปมีโตโปส่เกาะก็เพิมกตีกระดิ่งก็เลียกเตือนหนำเอาให้หลองตาไปสวดเหมือนกันหลวงตาก็ไปกับพระยุกิพระญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้ไปญี่ปุ่นยังไม่กลับมาเป็นลาบทองจรนังกัจฉามิ สวดพระสูตรแล้วก็พระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งก็ตีลาาักณการาเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทางปวงไม่เที่ยงสวดไปแปลปแล้วก็แปลแปลให้เขาฟังเขาก็ชอบนะ้องมหาโยนเขาจะมีอามิโตโพพระพุทธเจ้าอมิตตพุทธเข้าให้ถึงอมิตตพุทธให้ได้ อมีเครื่องเสียงเด็กๆเท่าหัวแม่เหมติดกระเป๋าเวลาขับรถเขาจะดินอามิตโทอามิตโทอามิตโทปุทำงานก็อามิตโทอามิตโทปุไปตีแล้วครั้งทำวัดตอนเช้าอโตปุอามิตโทอามิตโทอามิตโทอามิตโจนเสียงแล้วคังแล้วครั้งจบลงนอนนั่งอีก่อู อามิโตโพอามิโตโพอามิโตโพอามิโตโพอามิโตโพอามิโตโพเกือบสามสิบนาทีนะถ้าเวลาเล่งแล้วกังพูงกูงอามิโตโพอามิโตโพอามิโตโพอามิโตพอไปนั่งไปศิตใจเก่านะไปดูให้อมิตาพุทธอยู่ใกล้ดีสุดเลยชาวพุทธเถระวัฒนเราไปอยู่ที่ใดหนอ เราไม่ต้องไปพูดก็ได้เพียงรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวนี่เป็นภาวะรู้เป็นพุท ธ, ธะรู้ตื่นเบิกบานพุโทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะว่าไม่ใช่เป็นภาษาคำพูดเป็นการสัมผัสในหัวใจเราเลือกตึงแต่เป็นคำพูดก็ดีเป็นนิมิตเรียกให้ขึ้นมากลับมา ให้สวดสดีก่อนผู้อ่านฟังเวีนกับพระพระไปด้วยกันพูดไปก็ล้องเพลงไปชวนพระล้องเพลงให้คนฟังมีเพลงสองบทไปสังขารนิจสังขารคือล่างกาจิตใจรูปธรรมนามธรรมั้งหมดต้องสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป เพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูกทอนามทอทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์นยากอ้เกิดขึ้นแล้วเจ็เจ็บตายไป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 เราต้องเพ่งแบบนี้ความเข็ดไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวใช่ตนของเลาเป็นโทษความจริงใดเป็นโทษสิ่งนั้นไม่ควรถือว่าเราว่าของเราสิ่งใดเป็นโทษสิ่งนั้นไม่ควรยึดมัน่นถือมัน่นกระคา บ, บังกัดเอาวันเพ่นเดือนที่สองร้อยกระตรงที่สลาหน้ากัดจนปอใจยกขาขึ้นมันแขนอยู่เอาลองดูสิเราไปเหยียบ ม, มันอ่ะมันก็กัดเอา ก็รู้ยกเล่นว่ามันเป็นตะขาบก็ให้มันวางเองก็ตกลงก็รีบเป็นร่างแผลร่างแผลแล้วก็นอนสลาหน้าสลาริมหา้าถ้ามันปวดเนี่ยเคยมีตะขาบกัดปวดไหมปวดมันจะปวดตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบุคนจะร้องตรงนี้มาเด of ็กตุบตุบตุบตุบุบตุบ นักร้องเพงเอ๊ะถ้านาไม่เที่ยงส่วนเหรอไม่เที่ยงส่วนกันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนถึงใดไม่ใช่ตัวใช่ตนถึงนั้นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นร้งเพลงเนี่ยมันก็ไม่เป็นผู้ปวดเบาแล้วก็เอาขาเอาผ้าผกขาเขียนไว้สนุกว่สนุกดี สนุกปวดเลยทีเดียวไปนอนอยู่โรงพยาบาลสองปีคนมาถามบอกว่าสนุกปวดสองปีแล้วไม่มีจริงจริงคำวาทุกเนี่ยห่อลบผิดชอบต้งไหนเราถามเมื่อวานเนี่ยเวลาลงตาปวดท้องทําไมหายใจไม่ได้ทำไมหายใจไม่ได้ก็ไม่ต้องหายห่งวงหรอกอยู่ตรงไหนหระอยู่เฉยเฉยไม่เป็นอะไรกับอะไรนั่นดองตาพวดไป ไม่เป็นอะไรกับอะไรเลยแล้วแต่แม่ชีน้อยท่ายให้อยู่ประเทศแคนเบอรยืนอยู่ที่ประเทศแคนเบอรไม่เป็นอะไรกับอะไรอยู่ตรงไม่เป็นอะไรกับอะไรเพรอเห็นมิแต่ไม่เป็นมันก็แยกไปตั้งแต่นี้แล้วแน่นอนชีวิตของเราต้องเกลต้องเก็บต้องต่อยวันนั้นเวลานั้น จะมีความทุกข์ที่สุดคนดูก็ทุกข์ยอดก็ทุกข์คนเจ็บก็ทุกข์มันไม่ทุกข์เนี่ยจะไม่ให้พูดจังไงธรรมะเนี่ยความไม่ทุกข์ไม่ใช่เป็นผู้ทุกข์ก็เริ่มเห็นเดี๋ยวเนี่ยนะวมีสติไปมีสติไปสติมันไม่ใช่สติแค่เนี่มันเป็นมรรคเป็นผลความรู้สึกตัวนี้มันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่กับเรานี่ เราจะฉลาดชิดได้ไงจะไปหลงเป็นเจ้าบ้านจเจ้าเรือนจะไปคอยทุกข์คอยร้องไห้คอยหอัวเราะมันไม่ใช่ชีวิตเราชีวิตเรามันต้องไม่เป็นอะไรเนี่ยมีชิดทีร้อยเปอร์เซ็นต์หัดทำให้หัดเป็นตินไม่ได้ขอกันก็ไม่ได้แกกันไม่ได้ก็แม่รักลูกเอาให้ลูกก็ไม่ได้ลูกรักพ่อแม่เอาให้พ่อแม่ก็ไม่ได้ จะมีปัญญาลักลั่นให้กันก็บม่ได้ต้องเป็นสมบัติของข่อยของมนันต้องทำเอานี่คืออาเรียรั์ภายในชีวิตของเรามันจึงจำเป็นต้องมีจิตกรรมอย่างนี้มาฝึกตนสอนตนอย่างนี้พิสูสว์กันดูพระพุทธเจ้าท้าทายหนึ่งวันเจ็ดวันหนึ่งเดือนเจ็ดเดือนนมันม่มากขนาดนั้น ถ้าเอาจริงเอาจังถ้าเอาจริงเอาจังไม่เหมือนอยากรู้อยากเห็นนะทําซื่อๆทำซื้อๆมันหลงก็รู้มันรู้ก็รู้มันผิดก็รู้มันถูกก็รู้มันสุกก็รู้เมันทุกก็รู้รู้เนี่ยสุกรู้ทุกรู้ตัวรู้ตัวเดียวเนี่ยไม่เปิดเปื้อนกับอะไรเดามันผิดรู้มันถูกรู้มันทูกรู้มันมันทำยาตี๋เนี่ยต่ว่ารู้เย่าเนี้ย ไม่ใช่ไปรูปคำเนี่ยรู่ไปเอาตามไปเหมือนที่เช่นวางรองมีเส้นลูลปต่อแล้วแบบนี้ใช่ไหมไเลยเครียดไปเลยง่งไปเลยมันรูปอย่างเนี้ย่รูปอย่างนี้อสมัตานี้เกิดก่อนพระพุทธไม่ปรัชนานานเป็นหลายพันปี โถวิสีโ ม, มนีแำหรับนักบวชมีก่อนเราเจ้าแล้วแล้วฝึกส ม, มถากันนะนั่งโดวเช็งเดี๋ยวนี้ยังมีนะหลวงตาไปเที่ยวอินเดียเน่ยยืนจนเท้าไม่พันขาเลยมีก่อนเ้ามาใม้ใช่มือเอาตรงม้ชาข้าก็ากินข้าวแม่นุงผาอด้วยมีอยู่อย่ามาเชื่อหลองตาเราทำไงต้องแก่ยต้องเก็บต้องตาย ให้ดูเดี๋ยวนี้ก็ไม่แก่ก็ไม่เจ็บไม่ตายมีอยู่ฝึกไว้เดี๋ยวนี้เป็นศิลปะเป็นกีฬาชีวิตของเราต้องถึงจุดหมายปลายทางอย่าจมอย่าสะดุดมันเรียบมิตรภาพฝึกตนสอนตนเดินถนนมิตรภาพไหมถือเจ้าน้ำเดิมไม่เกิดเพิ่มรอยจาก บ้านพายเมืองคน่อนที่มิตรภาพเปิดขึ้นเขาทําไงอัดปล่อยวางตรงไหนที่เป็นร่องน้ำหวงท่อสําหรับผ่านให้น้ําไหลผ่านตรงไหนที่อ่อนก็อัดขึ้นสูงขึ้นให้ไหลไปที่เดียวชีวิตของเราก็ตรงที่เชื่อมแข็งก็เชื่อมแข็งตรงที่ปล่อยวางก็ปล่อยวางไม่ใช่ไปเอาทั้งหมด ยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดไม่เอภัยไม่เป็นไรช่างหัวมันอาจารย์พุทธาตบอกอยาอายุธนะมีอยู่สี่ลาบไม่เป็นไรช่างหัวมันเป็นเช่นนั่นเองในตัวหลอกกอื่นิบบ้างใช่แบบนี้บ้างอะไรก็ดรึงกับเราไม่เป็นไร ตามร้ายใจอยากอืมไม่น่าจะเป็นงนั้นอืมไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ทําไมจึงทำแบบนี้กับเราทําไมจึงพูดแาบนี้กับเราเราไม่ยอมมันนั่งขังไว้ไม่ปล่อยไม่เป็นถนนไม่แต่ภาพใดเดี๋ยวก็พังไปเลย อ, อกหักเสีย อ, อกเสียใจวางไม่เป็นไรสร้างหัวมันเอาต่อสอนด้วยเอาเนนสองลูกเดินมา ชนกันล้มลงคนละข้าวลุกขึ้นขอโทษขอโทษครับเจ็บไหมครับไม่เป็นไรขอทนได้ผมผิดครับผมผิดไม่ใช่เนรนองหนุ่ไม่ใช่ผมผิดครับผมผิดผมขอโทษครับต่างคนขอฝากกันดีกันกว่ายเนนสองรูปมาเดินมาชนกันครับลุกขึ้นต่อยกันเลย <laughs> ต่อยกันเลย ไม่ยอมก็จอดกันเต้ยจอดเสีเป็นไรล่ะมันชนผมผมเดินมาดีมันมาชนผมแหละมันไม่เป็นพระเผมอ่ะเหยียบขากันนิดหน่อยก็ไมาได้ไม่รู้จักพ่อยไม่รู้จักวาตอนนี้ก่อนล่องตาอล่งรถประจําทางไปจอดที่ฉลบุรีน่ะแวะไปจอดเท่นั่ะน้ําลําใหญ่หวานถูงร้อสองบาทลําน้ําลําใหญ่สูงร้อสองบาทสูงร้อสองบาทเขายื่นขึ้นน้าต่างรถ คนลดคนอิสานบ้านเร า, าทุงลับาตรประเที่ยวทุงรับาตรแปลวาน้ำเยี่ยวแ ม, มงลงนกโอ้ยคนลดเอ้ยว่าท่านี้ก็พอดแล้วไม่พอใจเอาใช่อยู่กันได้ไงคนลดนะไม่เป็นรอยทั้งหัวมามนเป็นเช่นนั่นเองให้ไปเขาเขาไม่รู้คนที่ไม่รู้เป็นคนให้ควรให้ไปอย่างยิง่งบางที มอนีปัญญากันเนะี่ยให้มองกันหลายลักษณะมองปัญญาเหมือนน้องสาวมองปัญญาเหมือ น, นอพันญามองปัญญาเหมือนเพื่อนมองปัญญาตัวเองเหมือนแม่อย่ามองปัญญาเป็นปัญญาอย่ามองสามีเป็นสามีให้มองเป็นพี่เป็นน้องบางทีแม่บ้านหน้าเอ้าน้าออมมีไหมไมีไหมไปน้องสาว มันไม่รู้อนะไรเนอะน้องสาวเราเอ้ยไม่เป็นไรน้องสาวเราไม่รู้อะไรเราลูกของเขาอย่าไปทิศหาเรื่องเขาบางทีก็เป็นเพื่อนกันสุขทุกข์ด้วยกันบางทีก็เป็นแม่เราเวลาเจ็บแค่แต่ป่วยเช็ดน้าลูกทำลายเลีเ้ยตาเปลี่ยนเผื่เมียกันสามีเขาป่วยน้องรอเช็ดําลายเช็ดนองไหลาสามีก็ว่าเอาผ้าเช็ด ผาที่เช็ดทำลายจากสามีตัวเองก็นั่งนันตาหลาเอามาเช็ดหน้าเลยไม่เราเกลียดเลยใช่ไหเนี่ยแม่เราพันญาเหมือนแม่สามีเหมือนพอ่ออย่าไปมองแค่อะไรนิดหน่อยเราตัดสินใจไม่ได้มองอย่ายญ่อยู่ด้วยกันอย่าไปชั้นชั้นให้ใจโยโย่ไม่เป็นไรสร้างหัวหมาชือสาวเรื่องกันวไปหึกอย่างเนี้ย มันใจใจดีใจดีแบบนี้ได้บุญนะ่ะใจดีอย่างนี้เสวียนใจดีอย่างนี้ได้นี้น่าน